ลักษณะของศีลหรือหลักความประพฤติเบื้องต้นแบบเทวนิยมกับแบบสภาวะนิยมเคยมีปราดฝ่ายตะวันตกบางท่านเขียนข้อความทำนองตำหนิพระพุทธศาสนาไว้ว่ามีคำสอนมุ่งแต่ในทางเนกาทีฟคือในทางปฏิเสธคือสอนให้ละเว้นความชั่วอย่างนั้นอย่างนี้ฝ่ายเดียวไม่ได้สอนย้าชักจูงเร่งรัดพุทธศาสนก ในทาง positive คือให้คนขวาทำความดีไม่ได้แนะนำว่าเมื่อเว้นชั่วนั้นนั้นแล้วจะพึงทำความดีอย่างไรต่อไปมีคำสอนเป็นสกาวิสัยคือเป็น subjective เป็นได้เพียงจริยธรรมแห่งความคิดคือเป็น an ethic of thoughts เป็นคำสอนแบบถอนตัวและเฉยเฉยคือเป็น passive ทำให้พุทธศาสนิกชน พอใจแต่เพียงแค่งดเว้นทำความชั่วคอยระวังเพียงไม่ให้ตนต้องเข้าไปเกี่ยวข้องผัวพันกับบาปไม่เอาใจใส่ขนขวายช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยการลงมือกระทำการปลดเปลื้องความทุกข์และสร้างเสริมประโยชน์สุขจริงจังท่านผู้นั้นกล่าวว่าพุทธศาสนาแม้จะสอนให้มีเมตตาการุณาก็เพียงโดยตั้งความหวังความปรารถนาดีแผ่ออกด้วยใจอย่างเดียว ท่านผู้นั้นได้อ้างข้อความจากพระไตรปิฎกสนับสนุนทัศนคของตนที่ว่าคําสอนในพระพุทธศาสนาเป็นเพียงขั้นปฏิเสธคือเป็นเพียงขั้นนิเกตฟโดยยกคําจํากัดความองค์มรรคข้อสัมมากรมมันตะข้างต้นกํากับไว้ในข้อเคินของตนแต่ว จ, จะนะที่อ้างเป็นของพระสารีบุตรในสัจจวิพังกสูตรมัจจิมานิกายอุปริปันนาว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายสัมมากรรมันตะ เป็นไฉนการเว้นปานาติบาตการเว้นอธินนาทานการเว้นกาเมสุมิชฉาจารนี้แหลท่านผู้มีอายุทั้งหลายชื่อว่าสัมมากัมมันตะสำหรับผู้ที่ศึกษาเข้าใจความหมายในทางปฏิบัติขององค์มรรคเหล่านี้เพียงแค่ตามคำขยายความของศีลในกุศลกรรมบทสิบดังได้ยกมาให้ดูแล้วย่อมเห็นได้ทันทีว่าคาติวิจารนั้น ไม่ถูกต้องถ้าท่านผู้เขียนคำตินี้วิจารไว้ด้วยเจตนาดีข้อเขียนของท่านน่าจะเกิดจากการได้อ่านหรือรับทราบพุทธธรรมแต่เพียงข้อปลีกย่อยต่างส่วนต่างตอนไม่ต่อเนื่องกันและเกิดจากการไม่เข้าใจระบบแห่งพุทธธรรมเป็นส่วนรวมจากความหมายในทางปฏิบัติข้างต้นนั้นเห็นได้ชัดอยู่แล้วว่าระบบศิลธรรมของมัจไม่มีลักษณะจากัดด้วยความเป็นเนกาทีฟ หรือ passive หรือ subjective หรือเป็นเพียง and ethic of thoughts อย่างที่ถูกวิจารณ์นั้นอย่างไรก็ตามเมื่อพบคำตำหนิวิจารณ์เช่นนั้นแล้วก็ควรถือเป็นโอกาสที่จะศึกษาให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเพื่อให้ทราบกว้างออกไปว่าคำจำกัดความขององค์มรคขั้นศีนแสดงถึงหลักความประพฤติและความเป็นอยู่พื้นฐานโดยโยงถึงจิตใจด้วยเจตนาและเริ่มต้นด้วยถ้อยคา ที่มีรูปลักษณะในทางปฏิเสธโดยมีเหตุผลย่อๆคือหนึ่งศีลในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของพุทธธรรมไม่ใช่เป็นเทวโองค์การหรือคำสั่งบังคับสำเร็จรูปที่กำหนดให้ศาสนิกประพปฏิบัติอย่างนั้นบ้างอย่างนี้บ้างสุดแต่เทวประสงค์ด้วยอาศัยศรัทธาแบบพักดีซึ่งไม่จาเป็นต้องทราบเหตุผลที่เชื่อมโยงต่อเนื่องมาแต่ศีล เป็นข้อกำหนดที่จัดตั้งขึ้นตามเหตุผลของกฎธรรมชาติรวมอยู่เป็นส่วนต้นในระบบการพัฒนาชีวิตซึ่งผู้ปฏิบัติจะต้องมองเห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันเป็นระบบแม้จะยังไม่มีปัญญารู้แจ้งแจ่มชัดมีเพียงศรัทธาก็ต้องเป็นอาการวตีศรัทธาคือศรัทธาแบบมีเหตุผลซึ่งมีพื้นความเข้าใจในเหตุผลเบื้องต้นพอเป็นฐานให้เกิดปัญญารู้ชัดต่อไป เหตุผลที่คำจำกัดความขององค์มรรคในขั้นศีลมีรูปลักษณะในทางปฏิเสธข้อ 2. ในกระบวนการปฏิบัติธรรมหรือการฝึกอบรมพัฒนาชีวิตนั้นเมื่อมองในแง่ลำดับสิ่งที่จะต้องการทำให้ประณีตยิ่งขึ้นไปตามขั้นก็ต้องจัดเตรียมพื้นฐานให้ราบรื่นไม่ง่อนแง่นไม่ขาดพร่องเริ่มด้วยการละเว้นหรือกำจัดความชั่วก่อนแล้วจึงเสริมสร้างความดีให้บริบูรณ์ จนถึงความบริสุทธิ์ดุดพ้นในที่สุดเหมือนจะปลูกพืชต้องชำระที่ดินกำจัดสิ่งที่เป็นโทษก่อนแล้วึงหวานพืชและบำรุงรักษาไปจนได้ผลที่หมายในระบบแห่งพุทธธรรมนั้นศีลเป็นข้อปฏิบัติขั้นเริ่มแรกสุดมุ่งไปที่ความประพฤติพื้นฐานจึงเน้นไปที่การละเว้นความชั่วต่างๆซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น พูดย้ำให้เห็นสิ่งที่ต้องการกำจัดอย่างชัดเจนเสียก่อนแล้วจึงขยายขอบเขตยกระดับความประพฤติให้สูงขึ้นไปในด้านความดีด้วยอาศัยการปฏิบัติในขั้นสมาธิและปัญญาเข้ามาช่วยมากขึ้นมากขึ้นโดยลำดับเหตุผลที่คำจำกัดความขององค์มรขั้นศีลมีรูปลักษณะในทางปฏิเสธข้อ3ในระบบการฝึกฝนพัฒนาของไตรสิขาศีลยังไม่ใช่เป็นข้อปฏิบัติ ให้ถึงจุดหมายสูงสุดโดยตัวของมันเองแต่เป็นการเตรียมสภาพทั่วไปของชีวิตให้พร้อมสำหรับความเจริญงอกงามที่เป็นเนื้อหาสาระของชีวิตต่อไปคือการพัฒนาจิตใจที่เรียกสั้นๆว่าสมาธิซึ่งเข้ามาต่อทอดงานพัฒนาชีวิตสืบจากศีลและรับผลจากศีลโดยในยน่านี้คุณค่าด้านจิตใจของศีลจึงมีความสาคัญมาก คุณค่าทางจิตใจในขั้นศีลก็คือเจตนาที่จะงดเว้นหรือการไม่มีความดำริในการที่จะทำความชั่วดอยู่ในใจซึ่งทำให้จิตใจบริสุทธิ์ปลอดโปร่งไม่มีความคิดวุ่นวายคุณมัวหรือกังวลใดๆมารบกวนจิตใจจึงสงบทำให้เกิดสมาธิได้ง่ายเมื่อมีจิตใจสงบเป็นสมาธิแล้วก็เกิดความแจ่มชัดและคล่องตัว ในการที่จะใช้ปัญญาคิดหาเหตุผลและหาทางดำเนินการสร้างสารรค์ความดีต่างๆให้ได้ผลในขั้นต่อไปเหตุผลที่คำจำกัดความขององค์มรรคขั้นศีลมีรูปลักษณะในทางปฏิเสธข้อ4ชีวิตที่ดีมีจิตใจที่เข้มแข็งดีงามมีความสุขเป็นส่วนสำคัญระบบจริยธรรมต้องประสานต่อเนื่องกันโดยตลอดทั้งด้านจิตใจภายใน และความประพฤติทางกายวาจาภายนอกและถือว่าจิตใจเป็นจุดเริ่มต้นจึงกําหนดที่เจตนาในใจเป็นหลักดังที่ทราบกันแล้วว่ากรรมอยู่ที่เจตนาซึ่งเป็นตัวตัดสินให้การกระทําความดีต่างๆเป็นไปด้วยความจริงใจอย่างแน่นอนไม่ใช่แต่เพียงไม่หลอกลวงคนอื่นเท่านั้นแต่หมายถึงการไม่หลอกลวงตนเองด้วยช่วยสร้างสภาพจิตที่ผ่องใส และตัดหนทางไม่ให้เกิดปัญหาทางจิตใจในด้านความขัดแย้งของความประพฤติเหตุผลที่คําจำกัดความขององค์มรรคขั้นศีลมีรูปลักษณะในทางปฏิเสธข้อ5องค์มรรคขั้นศีลสอนว่าความรับผิดชอบขั้นพื้นฐานที่สุดของบุคคลแต่ละคนก็คือความรับผิดชอบต่อตอนเอง ในการไม่ให้มีความคิดที่จะทำความชั่วด้วยการเบียดเบียนหรือล่วงละเมิดต่อผู้อื่นอยู่ในจิตใจของตนเลยเมื่อมีความบริสุทธินี้รองรับอยู่เป็นเบื้องต้นแล้วความรับผิดชอบนั้นจึงขยายกว้างออกไปถึงขั้นเป็นการทำรงรักษาและเสริมสร้างความเจริญก้าวหน้าแห่งคุณธรรมของตนด้วยการฝนขวายทำความดีบําเพ็ญประโยชน์สุขแก่คนอื่นๆพูดสั้นๆว่า มีความรับผิดชอบต่อตนเองในการที่จะละเว้นความชั่วและรับผิดชอบต่อผู้อื่นในการที่จะทำความดีแก่เขาเหตุผลที่คำจำกัดความขององค์รรรรรมขันศีลมีรูปลักษณะในทางปฏิเสธข้อ6กการกำหนดความหมายของศีล ใ, ในแ ง, ง่ละเว้นความชั่วไม่ให้มีความเสียหายและการเบียดเบียนนั้นเป็นการกำหนดข้อปฏิบัติรรร พ, พื้นฐานแห่งความเป็นปกติ ทำให้เจตนาที่เป็นองค์ประกอบของจิตใจที่ออกมาเกี่ยวข้องด้านนี้ปลอดพ้นความเสียหายไม่มีความชั่วเมื่อมีความเรียบร้อยปกติปลอดสภาพยุ่งยากวุ่นวายเป็นพื้นฐานทั้งภายนอกและภายในแล้วในฝ่ายความดีงามเกื้อกูลก็เป็นเรื่องที่จะพึงขยายออกไปได้อย่างไม่มีขอบเขตจำกัดและพัฒนาต่อไปสู่ความสมบูรณ์ตามความจริง ความดีเป็นเรื่องกว้างขวางไม่มีที่สิ้นสุดมีรายละเอียดแนวทางและวิธีการยักเยื้องไปได้มากมายตามฐานะและโอกาสต่างๆส่วนความชั่วที่จะต้องเว้นเป็นเรื่องกำหนดได้แน่นอนเช่นทั้งพระสงฆ์และฆราดรควรละเว้นการพูดเท็จ ด, ด้วยกันทั้งสองฝ่ายแต่โอกาสและวิธีการที่จะทาความดีที่ปราศจากการพูดเท็จนั้นต่างกัน การวางหลักกลางจึงระบุแต่ฝ่ายเว้นชั่วไว้เป็นเกณฑ์พื้นฐานส่วนรายละเอียดและวิธีการกระทำในขั้นมันเป็นความดีเป็นเรื่องในขั้นขยายและประยุกให้เหมาะสมกับฐานะโอกาสและสภาพชีวิตของบุคคลต่อไปหมายเหตุข้อปฏิบัติในขั้นประยุกพึงดูตัวอย่างในมัชจิมาปฏิปทาภาคประยุกซึ่งเรื่องนี้ผู้เขียนหมายใจไว้ แต่อย่างไม่ได้เขียนเพิ่งดูบทที่19ศีลกับเจตนาทางสังคมเป็นตัวอย่างเหตุผลที่คำจำกัดความขององค์มรคขั้นศีลมีรูปลักษณะในทางปฏิเสธข้อ7การปฏิบัติตามองค์มรคทุกข้อถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกคนในการที่จะเข้าถึงจุดหมายของพระพุทธศาสนาดังนั้นองค์มรคแต่ละข้อจะต้องเป็นหลักกลาง ที่ทุกคนปฏิบัติตามได้ไม่จำกัดด้วยฐานะการมัยท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมจําเพาะอย่างตามหลักนี้เมื่อมองในระดับศีลจะมองเห็นความเกี่ยวข้องโดยตรงเช่นการเว้นอาทินาทานเป็นสิ่งที่ทุกคนทําได้แต่การให้ทานต้องอาศัยปัจจัยอื่นประกอบเช่นตนมีสิ่งที่จะให้มีผู้ที่จะรับ และเขาควรได้รับเป็นต้นในกรณีที่ไม่อยู่ในฐานะและโอกาสเป็นต้นที่จะให้เจตนาที่ปราศจากอตินนาทานก็เป็นสิ่งที่ทำให้จิตใจบริสุทธิ์เป็นพื้นฐานแก่สมาธิได้แล้วแต่ในกรณีที่อยู่ในฐานะและโอกาสเป็นต้นที่จะให้การไม่ใส่ใจหรือหวงแหนจึงจะเกิดเป็นความเศร้าหมองขุนมัวแกจิตใจและการให้ จึงจะเป็นเครื่องส่งเสริมคุณธรรมของตนให้มากยิ่งขึ้นโดยในยะนี้ความหมายหลักของศีลจึงอยู่ในรูปคำปฏิเสธคือการละเว้นหรือปราศจากความชั่วส่วนความหมายที่ขยายออกไปในฝ่ายทำความดีก็เป็นเรื่องของการประยุกและขยายออกไปดังกล่าวแล้วเหตุผลที่คำจำกัดความขององค์มรรคศีลมีรูปลักษณะในทางปฏิเสธข้อ8 ในการปฏิบัติธรรมนั้นเมื่อพิจารณาในช่วงเวลาอันใดอันหนึ่งผู้ปฏิบัติธรรมย่อมกำลังบำเพ็ญคุณธรรมอย่างไดอย่างหนึ่งหรือประเภทใดประเภทหนึ่งอยู่เป็นพิเศษในเวลาเช่นนั้นเขาย่อมจะต้องพุ่งความคิดความสนใจเจฉพาะเจาะจงไปในสิ่งที่ปฏิบัตินั้นในกรณีเช่นนี้ความรับผิดชอบของเขาต่อความประพฤติด้านอื่นๆย่อมมีเพียงเป็นส่วนประกอบ เพียงไม่ให้เกิดความชั่วเสียหายอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นเป็นสำคัญเป็นอันชัดเจนว่าประโยชน์ที่ต้องการจากศีลในกรณีเช่นนี้อยู่ที่การช่วยควบคุมรักษาความประพฤติด้านอื่นๆของเขาไว้ป้องกันไม่ให้เสียหลักพลาดลงไปในความชั่วเสียหายอย่างใดอย่างหนึ่งจะได้ไม่มีส่วนพร่องส่วนรบกวนทําให้มีพื้นฐานที่มั่นคงสามารถบรรเป็นความดีจำเพาะเรื่องในขณะนั้น มุ่งแน่าไปได้เต็มที่